สนะสุธรรมเรื่องท่านอาจารย์ส่วนโมกที่ข้าพเจ้ารู้จักโดยอาจารย์โกวิทอนเนกชัยเขมานันทะวันที่22สิงหาคม2536เหตุผลที่ผมรับคำเชิญนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับท่านอาจารย์ ส่วนโมกจบไปนี้ถ้าผมใช้คําว่าท่านอาจารย์ขอให้ทราบว่าเป็นหมายเรีว่าท่านอาจารย์ส่วนโมกนะครับก็มีอยู่สองประการครับการแรกคือจะจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดซึ่งคิดเพียงแต่ ว, ว่าจะได้เพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเองได้รู้เห็นเพื่อประกอบกับทัศนะหรือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน คนอื่นหรือพระภิกษุรูปอื่นอะไรนะครับผลประการที่สองก็คือพระเองโดยส่วนตัวเป็นหนี้พระคุณ่านอาจารย์มากไม่รู้จะตอบแทนโดยวิธีใดนะครับตั้งแต่ท่านสิน้นบุญแล้วก็ยังไม่ได้ลงไปกราบจบมัวแต่ไปพูดที่นวนที่นี่คือเอาเป็น สมมติว่าเป็นบุญกิริยาที่การได้พูดถึงบุคคลที่เรารั ก, กเราเคารพบตรงนี้ไม่ได้หมายว่าเราจะเทิดทูนเฉพาะท่านอาจารย์ที่สวนงกคนเดียวเท่านั้นคนอื่นเราไม่นับถือผมไม่อยากจะเห็นตัวเองหรือเพื่อนเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วโลกนะครับ ทำด้วยกิริยาอย่างนั้นซึ่งเป็นอาการยึดมั่นในยึดติดในคุบาอาจารย์ของตัวซึ่งกิริยาเช่นนั้นในพุธทธศาสนาถือว่าไม่งามแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะครับเมื่อไปแสดงธรรมจนอุบาศพบาอิการยเรื่อมสายแล้วเปลี่ยนจากการนับถือพวกนิครนนิชายนะมานับถือท่านท่านิงเตือนว่าต้งทําทานทําบุญกับ นักบวดที่เคยนับถือต่อไปคำนึงถึงพาสิจีนบทหนึ่งนะครับสำหรั บ, บคนรุ่นมสมัยหรือคนรุ่นให ม, ใหม่อาจจะเลอล่าไปแล้วก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับพระรุพันระวังศิษย์หรือครูเป็นครูหนึ่งวันเป็นบิดาช่วยชีวิตคำพูดนี้นะเราได้ยินต่อเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าปราจีนโนราณถือว่า ครูนั้นหายากีิ่งหายทยากหรือเป็นธรรมเนียมของคนโดนออกเมื่อบุคคลเริ่มออกแสวงหาความรู้แจ้งทางวิญญาณประการแรกเขาต้องหาครูเขาให้พบกันราศ จ, จากครูแลนั้นการตั้งต้นลำบากมากครับเรียนไว้แต่กรณีของบุรุษชาติอาชาในายอย่างกรณีพระสมหรพระเจ้า แต่แม้ขนาดทั้ทงเรื่องต้นต้นโดยครูแม้ว่าครูสอนผิดๆก็ตามท่านอาจารย์ที่ส่วนโมงนั้นเคยปรารถผมได้ยินอย่างน้อยสองครั้งเรื่องเกี่ยวกับครูครูของผมท่านพูดในเรื่องในโรของนะนะครูของผมเหตที่ท่านใช้คํ า, าว่าผมเพราะผมเองเป็นนักบวชตอนนั้นท่านไม่ใช้คําว่าอาตมานะครูของผมคือนายคําชื่อว่านายคํา นั่นคือการทดลองความจริงอย่งชีวิตผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าใจเป็นเบือ้องต้นนะครับต่อวิถีทางของท่านอาจารย์เป็นโมกการทีความคิดสร้างสารรค์มีควคิดมากมายแต่แล้วความคิดเหล่านั้นก็ว่างเปล่าเหมือนฟองน้ําที่เปื้อนแห้งไปถ้าปราศจากการทดลองในหนังสืออัตรวัติของหาธมคันธีนะครับ ประโยชนแรกนี่สำคัญมากในการเขียนอัตระวัติแม้โดยทั่วไปเราทราบว่าหมหาวิมคันตีเป็นนักการเมืองผู้นําแต่แล้วท่านเองเรียกตัวเองว่าเป็นนักศาสนาข้าพเจ้าทดลองชีวิตทางศาสนาในสนามของการเมืองเนะฮะจิตสมนึิของหมหาวะมันทีนั้นเป็นนักศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติผมคิดว่าจิตสมนึกที่นาบุคคลไปสูงความสําเร็จ เป็นสิ่งที่ต้องชนิดติเคาะเป็นเบื้องแรกครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องกรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งเรารู้ว่าเป็นวีรบุรุษของชาตินี้นะคําถามคือเพราะอะไรพระเจ้าตากสินประสบค์ชัยชนะทั้งทั้งทนะี่เป็นสามัญชนนะในขณะที่ชั่อพระมงกเป็นทาสญาตสายตรง ก็เป็นหัวหน้าก๊กหนึ่งด้วยแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจิตสำนึกที่นำพระเจ้าตากไปสู่ชัยชนะก็คือจิตที่จะรวมไทยอีกคนหนึ่งนั่นเองความบ่มริ์ที่จะรวมไทยในขณะที่เจ้าก๊กอื่นๆ น, นั้นช่วยโอกาสที่ประเทศบ้านเรือนแตกเปนเสี่ยงดังนั้นขอชิ้นหนึ่งก็แล้วกันเห็นไหมฮะจิตสำนึกนี้นำไปสู่ชัยชนะในที่สุดนันไม่ได้หมายถึงแค่รวมไทยได้ โดยสีไม้าลายมือของนักการทหารแต่ว่าเอาชนะใจประชาชนทั้งหมดด้วยครับจิตสมนติเช่นนี้สำคัญมหาบุรุษทั้งหลายหรือพวกบุรุษชาติอาจารย์ในจะรักษาจิตดวงแรกที่มีสำนึกที่จะทำอะไรไว้อย่างต่อเนื่องและยาวนานท่านอาจารย์สนโมก็เหมือนกันภายหลังนั้นท่านพูดผมว่าที่จริงผมไม่ใช่คนมีความรู้ความสามารถอะไร แต่ผมมีสิ่งหนึ่งคือผมจริงเสมอฉันพูดอย่างนั้นนะแล้วเราเห็นว่าทุกครั้งที่กานเทศนานพระภิกษุโดยทั่วไปผมไม่มี้ตำหนิดีเดียนพระนะครับมักจะพูดเล่มพูดหัวพูดให้โยมติดอกทิดใจแต่ว่าท่านอาจารย์เวลาเปิดมิตรินการเทศนานี่บางทีเราใจเต้นระทึกกลัวท่านจะพูดอะไรที่เราไม่อยากได้ยินนะครับซึ่งซึ่งเป็นนิาสัยของเราที่ไม่อยากใครมา เจแทงเข้ามาในหัวใจของเราเหมือนกับว่าน้องสาวหรือเพื่อนบอกเราว่าเธอมันโง่ ılmış, เราจะไม่ชอบตังแต่หนาจะเป็นเรื่องจริงนะครับ <G ül> บทบาทของท่านจ่าส่วนโมงนะครับนับตั้งแต่วันแรกในปีเจ็ด้าของการตั้งส่วนโมกและเป็นปีนั้นเป็นปีของการชิงชัยความเป็นผู้นำทางปัญญาลองพิจารณาก่อนนะครับว่าคำพูดที่ผมเอ่ยนี่มันหมายถึงอะไร เทศนี้นะครับนับตั้งแต่ราชอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งปกครองระบบพ่อเมืองพ่อบิดาปกครองบยูจนกระทั่งอัยุธยาบบเทวสิทธิ์จนทั้งรัตนโกสินทร์ระบบส ม, มุติเทพอะไรอย่าง น, นี้ครับแต่ว่าทั้งหมดหรือกินรวมไปถึงสมัยศรีวิชัยด้วยแล้วนี่ับนับเวลาได้ประมาณพันปีเศษพันะ 1, กว่าปีที่อำนาจเด็ดขาด สูวมาอำนาจอยู่ในกำมือของมหาวิศว์ในรูปหนึ่งรูปใดปี75ปีที่ประเทศเรามีาประสบการณ์ครั้งใหม่คือช่วงแห่งการโอนถ่ายอำนาจรัฐจากการสูวมไปสู่คณะราษฎรนึกออกใช่ไหมครับ่ีนี้ถ้าผู้คนรับรู้ฐานะผู้รับรู้เป็นนักเรียนอนอกเช่นนายทหารที่เคยเรียนฝรัง่งเศสก็ไม่แปลกอะไรเพราะเขารู้ว่าอานาจตกถึงมือาชาตนได้ เขามีประจบการณ์ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ผู้ที่ไม่เคย เ, เรียนมังนอกอย่างท่านอา จ, จารย์สมวงนั้นนับเป็นสิ่งใหม่ทีเดียวครับแลวผมเชื่อว่าผู้ที่มีพลังสร้างสารรค์ซ่อนอยู่ในตัวในช่วงนั้นเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวในในกระแสความรู้สึกนึกคิดว่ามันอะไรกันน่ง น, นะครับที่ภาษากรีกโรมันเขาบอกโควาดิแปลว่า เอาเอาเธงไหนกันแน่เมื่ออำนาจที่เคยอยู่ในมือพระวหากษัตร์ถูกโอนถ่ายมาไปสู่คณะราษฎรซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ในความรับรุงคนไทยทั่วไปนะครับดังนั้นเองผู้ที่มีพลังอยู่ในตัวนะคจะต้องออกค้นหาความจริงให้ได้ด้วยเหตุผลข้ อ, น, ขอ น, นี้และกำลังครับที่อาจารย์โโมกตัดสินใจออกจากประเทศมหาเงื่อมซึ่งอยู่ในวัยที่ท้าทายทางภูมิปัญญาและในการค้นหานั้นับ ก็ดมิติจัดตั้งส่วนโมกชื่อของส่วนโมกปลาลามบอกว่าเป็นอารามสวนป่าที่ให้พลังต่อวิมุตโมกสักนพิจิดวงแรกครับที่ท่านตั้งบรรณาธานไว้ผมเชื่อถึงปัจจุบันนี้นั้นบรญณาธิกรนี้ได้ได้บรรลุถึงตามที่ท่านตั้งใจไว้แล้วตามระดับของท่านผมไม่ได้ใช้ประโยคว่าดีที่สุดในโลกไม่มีใครทัดเทียมไม่ไม่ใช่นั้นนะครับ จุดนี่นสิ่งสำคัญที่จะได้เข้าใจอุปนิสัยของท่านนะครับก็คือถ้าเป็นคนจริงแล้วก็จิตดวงใดตั้งไว้แล้วก็ต่อสู้เพื่อรักษาจิตดวงแรกปณิธานนั้นให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ครั้งหนึ่งผมเคยเรียนถามท่านเมื่อสมัยผมเองยังเป็นนักบวชด้วยความท้อแท้ระอาหรือจะพูดว่าเบื่อหน่ายประมจรร์จนะครับผมมเต็มระเบียบกฎเก์มากผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ส่วนรวมเนี่ยชอบธรรมะ แต่ว่าเมื่อต้องปฏิบตัติต้องควบคุมตัวเองต้องอดกลั้นมัมนละบากครับเราเราชอบธรรมะแต่ไม่ชอบระเบียบอะไรที่มันบีบคั้นมากเกินไปผมสอบถามท่าน น, นะครับ้วยทำเชื่อมั่นในความแข็งแกร่ ง, งท่านท่านจะให้คาตอบเสมือนที่พระพุทธเจ้าให้คาตอบกับพรามซึ่งเข้าใจปิดในทางดีกับพระองค์หครับ อาารท่านบอกว่าเปล่าผมไม่ได้แข็งแกร่งอะไรผมคิดจะสึกก็หลายครั้งหน่ยคุณรู้รเปล่านี่เป็ น, นการบอกอะไรบางสิ่งที่ตรงไปตรงมาสัดสู้อยู่ต่อความเป็นจริงนี่จริงท่านจะคุยโวทับไปก็ะดัว่าผมติดใจแกล้งผมก็เทื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียก็ที่พร า, มานหมณ์ผนึกจะถามพระเจ้าว่าพระองค์เป็นสัพพันยูตลอดทุกขณะไหมรูม้แจ้งอะไรทุกอย่างไหมแทนที่พระเจ้าจะตอบนะท่านบอกว่าเปล่า ท่านบอกสัตยาคติไดเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งเห็นจริงตลอดทุกๆขณะพรามก็เลยคิดเข้าข้างหมอกเอ๊ะแล้วทวําไมเมื่อถูกถามปัญหาข่าวอะไรทรงท่านตอบได้ทันทีเล่ากับว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าพระเจ้าทรงอธิบายว่าเนื่องจากจิตท่านบริสุทธิ์เมื่อโน้มไปสู่ปัญหาปัญหาก็แตกออกเนื่องจากมนุษย์เรานั้นมีอสวะห่อหุ้มดังนั้นมีความเชื่องช้าทางคุณปัญญาปัญญาไม่แล่น ส่วนผู้เจ้าผู้บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้รู้คำตอบอยู่เบืองหน้านี่คือบุคคลที่มีเกียรติในตัวเองในบรร ด, ดาผู้นำในทางจิตวิญญาณนะครับผมเองอาจจะพูดเพราะอาจจะยึดถือในความัปนชาวพุทธนะครับจงที่ว่าภาษาสดาทั้งหลายมีพระองค์เดียวเท่านั้นครับที่สัดซื่อกับเพื่อนมนุษย์ไม่อ้างตัวเป็นเทพเจ้า ไม่อ้างเรื่องอะไรทั้งสิ้นน่ะฮะแม้แต่ว่าไม่อ้างตัวเองเป็นประตูทำซึ่งทุกคนต้องเดินผ่านฉัน้นนั่นเป็นจิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อบอกตรงๆท่านอาจารย์สุนโมก็เป็นดังนั้นนะครับท่านบอกอะไรตรงๆส า, าเหตุของการคิดจะศึกก็เรื่องหน้าขบกันทั้งสิ้นครับคือเห็นคนเข้ามาถือปืนมายิงนกในในวัดนัานเร า, าผมนึกสนุกอยากไป ศึกกัไฟหาปืนท่าก็บอกอย่างนกมันบอกถึงจิตที่ทุขสนคิดนึกแต่แล้วนั่นเป็นเพียงรูปของความผิดที่ผ่านเขามาส่วนสิ่งอื่นซึ่งยิ่งใหญ่กว่าดูแลครอบงาไว้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมคิดว่าเราน่าจะเรียกว่าบารมีนะครในความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนไม่ใช่ในความหมายความเป็นเจ้าพ่อหรืออันตพานหรือซึ่งซึ่งเป็นภาษาซึ่งเรานํามาใช้ผิดๆไปแล้วครับ บรรดาพวงมาสาสดาในอดีตนะครับไม่ว่าเป็นาศาสดาที่ยิ่งใหญ่หรือาศาสดาพยากรณ์นะครับซึ่งเป็นาศาสดาที่มาเพื่อเป่าประกาศท้าทายอำนาจรัฐต่างๆนั้นน่าจะมีอวิใใสัยหนึ่งก็คือความเป็นบุรุษชาติอาชาในเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต่อเนื่องมไม่หยุดหย่อนสําหรับเราท่านผู้ผู้มีบุญเคยได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแต่เราอาจจะด้อยในทางวาสนาก็ได้นะฮะคือเรามีบุญแต่ว่าบางสิ่งคือบารมีไม่หนุนคนบราณผมคิดว่าคนบราณของไทยนี่ก็พูดเขคิดดีมากครับท่านคงได้ยินค่าวมาบุญพาดวาสนาใช่ไหมครับคือบุญพาวาสนาสองการไปพันิพานนั้นต้องอาศัยบุญและวาสนาบุญมีบารมีไม่ถึงเขาพูดอย่างนี้นะครับที่จริงแล้ว ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในการที่พูดถึงใครคนดในคนดคนหนึ่งให้ถูกต้องบริบูรณ์ร0อยเปอร์เซ็น์นั้นเราทำไม่ได้ครับผมเองเมื่อต้องพูดเกี่ยวกับพระเด็จคุณท่านอาจารย์สวนโมกนั้นตะกลั่นตะคลอทีเดียวครับเขาไม่รู้จะพูดออกรูปไหนตั้งท่าจะพูดในเชิญวิชาการคิดทบไปทวิญมาคิดว่ามัน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 ชีวิตส่วนตัวและการทดลองความจริงของชีวิตของท่านมีคนเคราะหร้ายไม่ใช่น้อยครับที่ลงในส่วนพวกเราได้เจอในช่วงที่เห็นอากับเริยางท่านและเข้าใจไม่ได้เช่นเลี้ยงไก่เต็มวัดหรือเลี้ยงปลารอบกุฏิหรือเลี้ยงสุนัทันดีนะครับรอาจจะเข้าใจผิดว่าแหมท่านรักสวยรักงามหรือเป็นอยู่ยิ่ยงกว่าคลหัดผู้มังคั่งสี โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับข้อเท็จจริงคือท่านอาจารย์นั้นอุทิศเวลาช่วงหนึ่งนั้นสําหรับแปลพระคำพีศักดิ์สิทธิ์และผมจําได้ถึงวันคืนทุกยากของท่านออกบินตาบาดรับน้ําแกงจากชาวบ้านพร้อมกัเข้าสวยแล้วก็ราดน้ําแกงเพื่อให้กินและมีแรงนั่งแปลคำภีรที่เราอ่านที่พิมพ์แร่หลายนี่มันเกิดจากวิธีการ น, นั้นเมื่อช่วงไหนที่แปล ถ, ถึงคําพูดของพผู้เจ้าในบาลีว่า สตว์ขดเป็นไก่ผู้พี่ี่เกิดออกจากฟองเจาะฟองออกมาก่อนท่านอาจารย์นั้นก็ต้องเลี้ยงไก่ท่านจะเลี้ยงเพื่อจะดูสิ่งเหล่านี้เต็มเป็นร้อยตัวที่คนไม่เข้าใจใช่ไหมแหมท่านรักสวยรักงามไงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวยๆรักงามไม่ใช่เรื่องสุนักนะครับหลายกันทีเดียอของเทพนารี่ยออกมาจากการสังเกตเช่นยกหูชูหางก็คือสุนัขเวลาจะกัดกันเนื่องจาก ยังจริงความสําคัญต่อการละกันผมคงเล่าไปเรื่อยๆเฉืยิบๆไปอย่างนั้นเองนะครับไม่ไม่ได้ตั้งให้เป็นระบบอะไรเพียงเพื่อได้รับฟังเกล็ดเล็กๆน้อยๆสมัยช่วงทุกข์ยากของท่านนั่นนะครผมได้เกิดแล้วว่าช่วงปี75นั้นเป็นช่วงชิงชัยความเป็นผู้นําทางปัญญาไม่ว่าจานทร์ปรีดีหรือแม้แต่คนแผลงอย่างนรินกรุงนรินพาสิษฐ์ก็ตามนะ นั่นเป็นปริยาต่อการโอนช่วงโอนถ่ายอำนาจรัฐที่แต่ละคนไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากนะครท่านอาจารย์ก็เหมือนกันดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านเป็นเหตุให้ค้นประคำทีจากความรู้ภาษาบาลีในแค่ปรเรียนสามนะครับสอบตกปรเรียนสีซึ่งต่อมาภายหลังท่านไม่ยอมรับว่าท่านตกท่านบอกผมว่ากรรมการต้องตรวจผิดแ น, น่ อันนี้จะตรงตามที่ท่านพูดหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะ อ, อในช่วงของชิงชัยความพูนพํนำทางปัญญานั่นเองนะครับที่ได้เพาะสร้างบุคลิกภาพซึ่งซึ่งแปลกประหลาดท่านคงได้ยินข่าวนะครับว่าผู้คนรอบภูมิเรียงในส่วนโมกเก่าวัดพังติกนั้นนะฮะก็ถือว่ามีพระบ้ารูปหนึ่งไปอยู่นะฮะไม่เคยพูดพูดน้อย ถ้าท่านเทียบภาพปัจจุบันกับปัจจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์เคยพูดบ่อยมากเมื่อเทศนานะครับเรียกท่านเรียกตัวตนเองว่าหมาบ้าครับหรือสุนัขปากร้ายช่วงอการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพจากความเงียบขรึมสุขุมลุ่มลึกนิ่งสงบไม่พูดมาสู่การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและแหลงกล้าหรือถึงขั้นที่บางค น, นาอาะเห็นในเรื่องเก้าราวต่อ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 ท่านรุนแรงขึ้นทุตีจนทั่งเรียกตัวเองว่าหมาปากร้ายสุนักปากร้ายคนที่ขวัญอ่อนเกินไปนะครับเมื่อไปเจอท่านเขาลำบากครับหลายครั้งหลายหนที่ปริยานั้นแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาจนผู้จงไม่ค่อยคุ้นกับวิธีทางเช่นนี้นะครับรับไม่ได้แล้วไม่ไปที่นั่นอีกเลยพุทธศาสนาแบบเทรวาท์นะครับเข้ามาสู่บ้านเมืองเราเนกะือบแป0ปี ก่อนหน้นนั้นไม่เป็นมหายานนะครับแต่ล่องลอยมหายานเหลืออยู่ในศิลปวัตถุเท่านั้นถ้ามีอยู่ในวิถีชีวิตประจมันบ้างก็คืออุปนิสัยคนภาคใต้ซึ่งค่อนข้างกล้าวและทรมนมเมื่อมีลมลาผาลไม้ลูกหนึ่งล้ผาบสองซีกแล้วเราถือซีกหนึ่งแล้วจินตนาการอีกซี่หนึ่งนั้นก็คือสภาพที่ไม่สมบูรณ์พระพุทธศาสนาจะกลับสมบูรณ์อีกสครั้งหนึ่งก็คือต่อเมื่อเราเอา ลักษณะเด่นๆของมหายานนะครับกับอินญาหรือเถววัตมารวมกันเราจึงจะเห็นรูปของผลไม้ทั้งลูกแล้วเราจะเกิดจินตนาการใหม่พวกเราฝ่ายเทาววัตไม่คุ้นกับอรหันต์ที่กองอรหันต์ที่เหมาหรือจับโปยลอหันซึ่งบุคลิกภาพดูร้ายหน้าเกลียดหน้ากลัวแต่เราคุ้นกับรูปพระอรหันต์ที่นั่งเรียบร้อยในจิตจกรรมฝาผนังนะครับทุกองค์นั่งยิ้มเรียบร้อยหมด เราคุณกระเบียบฝ่ายเซระวาดท่านอาจารย์เคยถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงว่าเป็นพวกมหายานและถือว่าพวกมหายานเป็นพวกนอกรีบโปรดอย่าเข้าใจเช่นนั้นนะครับมหายานนั้นเป็นญาณที่สูงตรงทีเดียวครับแต่เราศึกษาเข้าแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งที่หินยานมีมหายานมีไตรวิดกทุกเรื่องครับเรื่องอทัพปฏิจารยเรื่องในหินญาณ น, นี้ก็มีมหายานอยู่ด้วยนะครับ การแบ่งเป็นมหายานหรนิยานนั้นมันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในในลำดับเป็นไล่ลําดับปริบทมาเรื่อยเท่า น, นั้นเองดังนั้นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างอย่างท่านอาจารย์นั้นท่านไม่ยอมหยุดอยู่เฉพาะหินิยานเท่านั้นครับศา ส, สนาของพระเจ้านั้นนะครับมันไม่ใช่ระบียบกฎเกณฑ์ที่เราจะสร้างขึ้นเองได้ในท้องถิ่นหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาเข้าไปสู่รากเง่าถึงขวัติชนะที่แท้จริงนั้นอันหนึ่ง จุดเด่นของวิธีทางท่านอาจารย์ก็คือท่านไม่เพีงเข้าใจโลกแห่งการแปรเปลี่ยนท่นานกระจายว่าทุกสิ่งอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมกันนั้นมีบางพวกบางเหล่าหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจเฉพาะลักษณะซึ่งแปรเปลี่ยนที่เรียกว่าอนิจจังนะครับแต่ไม่เข้าใจลักษณะการสืบต่อของพุทธศาสนาก็ได้สำหรับพระอาจารย์นั้นท่านกระจายทั้งสองด้านนะครับท่าน ปรับหลายสิ่งบทสวดมนเอ่ยพิธีกรรมเอ่ยเนี่ยท่านรู้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เข้าสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การพัฒนาซึ่งมีเทคโนโลยีเวิล่าสารหรืออะไรก็แฉนะฮะแต่พร้อมนั้นท่านม่ฤทธิ์ทิ้งแก่นสารของคดีครั้งหนึ่งท่านพูดกับผมว่าจริงจริงสิ่งที่ผมสอนนี้นะฮะสิ่งที่ผมสอนนั้นผมสามารถตั้งนิกายใหม่ได้แต่ผมจะไม่ทํำด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดี เคารพในปราดครั่งองกะดีท่านเป็นคนภาพอ่อนโยนมากครับแต่ภาพที่ออกมาร้วนแล้วแต่ทำให้รู้สึกบางคนสันหน้าสายหน้าเพราะคำพูดซึ่งตรงไปตรงมาค่อนข้างเก้าวร้าวดุนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่เล่าให้ฟังถึงช่วงแห่งการเปลี่ยนบุ ค, คลิกภาพครับมันสะท้อนถึงไอ้สังคมไทยซึ่งหันเหและทรยน ขายานท่านผู้นี้นะครับถ้าใครติดตามวาทะของท่านมาตรอดเพราะว่าท่านรู้ทันโลกชีวิตท่าไม่ใช่เป็นรพระภิกษุที่อยู่ป่าและศึกษาพระคัมภีร์พูดวัวหารแบบพระเทศบนธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสังคมการเมืองอะไรประมาณช่ ว, ชวงหลังปี2500นะครับที่เรียกกันว่าศึกษิการองการสาธารณชาติได้จักแจงข้นมาว่า ปัญหาเรื่องการทวีของประชากรเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักในอนาคตอาหารจะไม่เพียงพอจึงเกิดโครงการใหญ่ซึ่งเรียกว่าปฏิวัติเขียวแล้วในช่วงนั้นน่เป็นโครงการซึ่งทุกคนปราบปรืมกันมากครับว่าจนกระทั่งผู้ที่ค้นคิดยาปราบมแมลงที่เรียกดีดนั้นได้รับรางวัลโนเบลเพราะค้นพบกันว่าเพราะแมลงทาลายปริมาณของอาหารไปดังนั้นถ้าจัดการมแมลงได้แล้วก็ อาหารจะพอเพียงที่รับประชากรซึ่งทวีขึ้นอย่างน่ากลัวในช่วงนั้นเองครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราปรจักษทัดกันว่าปัญหาของดีดีทีนั้นมันทําท่าจะฆ่ามนุษย์เอาเสร็จแล้วครับนั้นการปฏิวัติเขียวครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คําตอบเดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วว่าเป็นปัญหาหนักเขาไม่ต้องแจกแจงสู่รายละเอียดนะครแต่ว่าช่วงนั้นผู้ค้นพบดีดีทนั้น ในฐานะเป็นนักวิชาการที่จับชื่อแต่กวิชาการก็ได้รับรางวัลโนเบลไปครับพฤติกรรมมันแปลกประหลาดและไม่มีใครสงสัยในด้านลบของมันนี้หาได้พ้นจะขายานของท่านอาจารย์เซมโมกไปได้ไหมในช่วงที่โลกกําลังเปล่าปลื้มกับกรีนรีวิวเลชั่นนะครับปฏิวัติเขียวอาจารย์ท่านประนามหยุดตลอดเวลาคือคาดระแวงว่าสิ่งนี้มันจะนําอะไรมาสู่มนุษย์ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วครับ ว่าทุกวันเรากินสารพิษอะไรเข้าไปมากมายกายของในช่วงที่ท่านกำลังต่อสู้และกำลังปรับเปลี่ยนนะครับทั้งพัฒนาและบุคลภาพนั่นเองเป็นช่วงทึงพระพู้ใหญ่เป็นช่วงที่มีปัญหาภาษาบรรสงเ์มากๆสามัสงค่อนข้างลังเอียดพระหนุ่มรูปนี้เขามีความคิดที่แปลกประหลาดพูดอะไรเหมือนเพื่อนดูเสมือนพระโจมตีพระรูปว่าเป็นภูเขาแห่งพุทธธรรม แต่ว่าโดยข้อท็จจริงแล้วนะท่านอาจารย์เป็นคนทราบฝึกในพุทธรูปมากครับผมบอกได้เลยบางครั้งนั่งคุยกับผมเป็นชั่วโมงเรื่องครามงามของพุทธรูปนั่นคืออีกด้านหนึ่งซึ่งละเอียดอ่อนและลุ่มลึกแต่อีกส่วนที่ท่านต้องแสดงออกก็เพราะว่าเป็นปริยาของคนไทยทั่วไปที่ยึดถือพระพุทธรูปลาวกับเป็นเจเวสนั่นเองนะฮะไม่ได้มองไปสู่สัญลักษณ์แห่งการสัตรู เราเห็นพระพุทธรูปนะครมีโพยพุ่งเป็นใบข้างบนเรียกประภาณิชทนเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้สมบูรณ์พระพุทธรูปไม่ใช่ลูกข้ารบแต่เป็นสัญลักษณ์ของมนฑนธรรมอันชดช่วงครับเราเห็นมีเดือนแก้วเห็นไหมครับเดือนแก้วหมายโธทชทิปักธิยะธรรมความใส่ใจในเรื่องความงามและศิลปะต่างๆท่านอาจารย์มีอย่างมากนะครับอาจจะมีใครได้รับทราบว่า ท่านร้องเพลงขายได้มากหลายเพลงจําได้มากจบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมนี่ดูตรงข้ามไปสิส้นสุดเลอผมให้ข้าสังเกตนะครับว่าวัฒนธรรมนี่จะมีสองลักษณะเสมอไปนี่ครับคือสิ่งที่เราแสดงออกสู่สาธารนณะซึ่งเป็นเรื่องของการต้องรู้จักการเวลาสถานที่โอกาสและบุคคลแต่ลึกๆในส่วนดวงท่านมันเราจะพบอีกหลายแง่มุมทีเดียครับ คณะสมฆ์ตั้งข้อเั่งเกี่กัท่านมีพระเศียรน้อยรูปมากครับผมจะระบุถึงได้สักองค์หนึ่งก็คือสมเด็จวัดเทพศิรินงค์ที่รักและรักใคร่และเข้าใจทาาระนจังมากมากครับสมเด็จพระสังฆราชในช่วงนั้นนะฮะสมเด็จสังฆราชที่อยู่ที่วัดเบญจากถึงจะเรียกท่านเข้ากรุงเทพไแล้วสั่งห้ามสอนวัตถสนาโดยเฉพาะเรื่องไม่ยึดมั่นถึงมั่นพระนจังกลับไปแล้วก็ บ, บ่นให้ฟังว่า จริงผมก็ไม่ควรสอนจริงๆด้วยเพราะว่ามันอันตรายแต่ว่าท่านบอกว่าผมเป็นคนดื้อถ้าสิ่งไหนถูกแล้วผมจะดื้อท่านนี่คือนิสัยของท่านท่านก็สอนจนได้แล้วสอนจนกระทั่งวันสุดท้ายนะครับแต่แล้วนะครับในช่วงสัตตถีสังเนานะครับการสังเกนาพรายาวิจ ด, ดุซึ่งจัด้นที่ประเทศพมา่าเขาทีสูงเงื่อนซึ่งถูกลังเ ก, กียจจากคณะสงฆ์นั้น กลับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยไปประชุมระดับนานาชาติที่นั่นทั้งนี้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่านายชกนิมมิตรีของขาว่าคืออุนุผู้ซีตัดทานภาษาหนามาร์บระบุผ่านคณะสงฆ์ขอให้เอาพระรูปนี้ไปประชุมมันเป็นที่อย่างนี้ครับเหมือนคาพูดในพระครมดีแบบว่าพระาศาสดาจะไม่ประสบความเร็ดในท้องถิ่นของตัวผมไม่ได้หมายทนอา จ, จารย์เป็นาศาสดานะครับ แต่ผมคิดว่าบุคลิกภาพของท่านนั้นคล้ายคลึงกับศาสดาพยากรณ์ตัวหนอาอ ก, กลางนะครับผมหวังว่าคงเข้าใจความหมายคำว่าศาสตราพยากรณ์